เจรอนพรท่านผู้มีจิตศรัรทธามีความเนื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศาัการาชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่งทรงสอนให้ปฏิบัติให้กระทำกันเพรอะการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีสร้างความสุขให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราทำให้จิตใจของเรา มีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับและความทุกข์น้อยลงไปตามลําดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียววิธีสร้างความสุขนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หลายวิธีด้วยกันเช่นหนึ่งการให้ทาน เป็นการสร้างความสุขใจอย่างหนึง่งอย่างที่ยาติโยมวันนี้มาให้ทานเอาข้าวของเงินทองอาหารขาวหวานมาถว า, ายพระเรียกว่าทานคือการให้การแบ่งปันการเสียสละประโยชน์และความสุขให้แก่ผู้อื่น เมื่อเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขใจก็จะเกิดขึ้นภายในใจของเรานี่คือวิธีสร้างความสุขอย่างหนึ่งด้วยการให้สิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้สู้เอามาแจกจ่ายแบ่งปัน ให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนกันดีกว่าเช่นข้าวของที่เรามีอยู่ในบ้านที่เราวางไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นสิ่งเกะกะสู้เอาไปทำบุญทําทานดีกว่าไม่จาเป็นที่จะต้องให้ของใหม่เสมอไปของเก่าก็ให้ได้เป็นทานได้ เ, เสื้อผ้าต่ตางๆที่เรามีอยู่มากมายที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเอาเสื้อผ้าที่เราไม่ใส่ไม่ใช้นี้ไปให้ผู้อื่นก็ได้ข้าวของใช้ต่ตางๆที่เรามีแล้วเราไม่ได้ใช้ก็เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำทาน แต่ถ้าเราสามารถให้ของใหม่ๆได้ของดีๆได้เราก็จะมีความสุขใจมากกว่าการให้ของเก่าๆของไม่ดีแก่ผู้อื่นเพราะของดีเรารู้ว่ามันดีเวลาเราให้คนอื่นเราก็จะรู้ว่าเขาจะดีใจเขาจะมีความสุขเราก็เลยจะมีความสุขไปกับความสุขของเขา ถ้าเราให้ของไม่ดีเขาไปเขาก็อาจจะไม่ดีใจเหมือนกับได้ของดีแต่ถ้ายังเป็นของใช้ประโยชน์ได้เขาก็ยังจะมีความดีใจถ้าเขาไม่ใช้เองเขาอาจจะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้คือสรุปก็คือมีของไม่ว่าจะดีจะเป็นของเก่าหรือของใหม่ แต่ขอให้เป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้อย่าเอาของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นของที่ต้องทิ้งเป็นขยะอย่างนั้นก็ไม่ควรให้ให้แต่ของที่ยังใช้ได้ของที่เป็นประโยชน์ของที่เขาจัดเอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรืออะไรต่างๆที่เราไม่ใช้ เอาไปให้กันแบ่งกันเรียกว่าทานทานนี้จะให้ใครก็ได้ให้แล้วได้ความสุขใจเหมือนกันให้กับพระก็ได้ความสุขใจให้กับคลวาะญาติโยมก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเพราะพระกับคลวาะญาติโยมก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนที่ต้องใช้ของเหมือนกันต้องใช้เสื้อผ้าเหมือนกัน ใช้รองเท้าเหมือนกันใช้อาหารอะไรต่างๆเหมือนกันดังนั้นให้กับพระก็ได้ความสุขใจให้กับคารวะญาติโยมก็ได้ความสุขใจให้กับเดรฉ า, านเช่นสุนัขหรือแมวเป็นต้นก็ได้ความสุขใจเหมือนกันพราะเขาได้รับความสุขจากเราความสุขที่เขาได้รับจึงทําให้เรา เกิดความสุขใจเพราะเรารู้ว่าถ้าเวลาเราได้อะไรจากคนอื่นแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาฉันใดเวลาเราให้ของเขาเราก็รู้ว่าเขาต้องเกิดความสุขใจเช่นเดียวกันนี่คือวิธีที่หนึ่งให้เราเสียสละแบ่งปันอย่าหวงข้าวหวงของอย่าตรณี อย่าเป็นปู่โสมเฝ้ารัพ์เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับกายเป็นภาระที่เราจะต้องคอยมาดูแลรับษาสมบัติเข้าของต่างๆจะไปไหนมาไหนก็ไม่กล้าไปกลัวไม่มีคนเฝ้าบ้านกลัวขโมยจะขึ้นบ้านเลยไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขจากการมีสมบัติต่างๆซื้อเอาไปแบ่งกันดีกว่า ทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความสุขแล้วถ้าเกิดมีการสูญเสียเข้าของเงินทองเช่นขโมยขึ้นบ้านถ้าเราเป็นคนที่ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยเราจะไม่รู้สึกเสียใจเราจะคิดว่าเป็นการทำทานไปไม่ต้องเสียเวลาขนไปให้เขาเขามารับถึงบ้านเราเลยสบายกว่า และอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ของใหม่ใช้ด้วยเช่นเขาเอาทีวีไปเราไม่มีทีวีดูเราก็มีโอกาสได้ซื้อของใหม่มาดูถ้าเรายังมีของเก่าอยู่เราก็เสียดายไม่อยากจะทิ้งของเก่าก็เลยไม่มีวันได้ใช้ของใหม่นี่เขามาเปลี่ยนของให้เราเขามาเอาของเก่าไปพอเราไม่มีของเก่าใช้เราก็ต้องซื้อของใหม่ เราก็ได้ของใหม่มาใช้ดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้คนที่ไม่ทำทานนี้จะหวงเงินหวงข้าวหวงของแล้วจะไม่อยากซื้อของใหม่มาใช้แล้วก็เวลาของหายไปก็เสียอกเสียใจและโกรธเคืองถ้ารู้ว่าคนไหนมาเอาไปก็จะไปตามล่าตามล้างกัน แต่คนที่ให้ทานอยู่เรื่อยๆจะมองมุมกลับจะมองว่าเป็นการทำทานเป็นการสร้างความสุขใจเพราะผู้ที่เขาเอาของไปเขาไได้รับความสุขถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่มาขมโมยข้าวของของเราหรอกเขาเดือดร้อนเขาไม่มีเขาไม่มีวิธีที่จะหาซื้อแบบเราหาซื้อได้เขาก็เลยต้องมาขมโมยของเราไป เรามองแบบนี้เราก็จะสงสารเขาแล้วก็คิดว่าเป็นการทำาบุญทำทานไปแทนที่จะมีความทุกข์เราก็มีความสุขที่ให้เขาได้มีเครื่องใช้ไม่สอยบ้างแลวเราก็ได้ซื้อของใหม่มาใช้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำทานจะทำให้เราไม่ยึดติดกับข้าวของเ ง, งินทองต่าง เวลาเราจะจากโลกนี้ไปเราก็จะไปอย่างสบายใจเพราะเราจะคิดว่าของต่างๆที่เราทิ้งไว้นี้เป็นบุญเป็นทานหมดยกให้คนอื่นหมดเพราะเราไม่หวงเราไม่เสียดายความสุขใจกับความทุกข์ใจนี้มันอยู่ที่ของอันเดียวกันนี่แหละของสิ่งเดียวกันนี้ทำให้เราสุขใจก็ได้ทำให้เราทุกข์ใจก็ได้ ถ้าเรายินดีเสียของนี้ไปเราจะเกิดความสุขใจแต่ถ้าเราไม่ยินดีเรารักเราห่วงไม่อยากเสียเวลาเสียไปเรากลับจะเสียใจทุกใจดังนั้นเราอย่ามาทุกใจกับข้าวของเงินทองเลยเราควรที่จะมาสุขใจกับข้าวของเงินทองดีกว่าสุขใจด้วยการไม่ห่วงไม่ตะนีไม่ยึดไม่ติด สุขใจด้วยการให้ด้วยการเสียสละด้วยการแบ่งปันนี่คือวิธีสร้างความสุขและดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการมีข้าวของเงินทองต่างๆคนเราส่วนใหญ่แทนที่จะมีความสุขใจกับข้าวของเงินทองกับมาทุกข์กันเพราะความหวงความรักความตื่นีตความหลง คิดว่าเงินทองนี้จะเป็นของเราไปตลอดคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดพอเวลามันไม่ได้อยู่กับเรามันกลายเป็นของคนอื่นไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าจะสอนพวกเราว่าเข้าของเงินทองต่างๆไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของถาวรเป็นของชั่วคราว มีเวลาที่มันจะต้องจากเราไปได้มีเวลาที่จะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปได้ดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องหน้าเราก็จะได้ไม่หวงไม่ยึดไม่ติดแล้วถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะเก็บเอาไว้ก็เอาไปทําบุญดีกว่าเอาไปให้คนอื่นดีกว่าให้เขาแล้วมีความสุขใจหรือถ้าไม่ได้ทําอย่างน้อยก็เตรียมตัวเตรียมใจยกให้เขาไป ถ้าเกิดเขามาขโมยเข้าของไปหรือเกิด อ, อุกทุกขภยัยน้ำท่วมเข้าของเสียหายหรือเกิดไฟไหม้เข้าของถูกไฟไหม้ไปเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เสียใจเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องจากมันไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำทานเราจะได้มีความสุขใจกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลกลัวว่ามันจะหายกลัวว่ามันจะเป็นของคนอื่นไปเพราะเรายอมรับว่ามันต้องหายแน่ๆไม่ช้าก็เร็วมันต้องเป็นของคนอื่นแน่ๆเวลาเราตายนี่มันไม่ได้เป็นของเราแล้ว มันหายจากเราไปแล้วแล้วเราทุกคนก็ต้องตายด้วยกันทุกคนเรื่องอะไรเราจะตายด้วยความทุกข์กันเราสามารถตายอย่างมีความสุขได้ถ้าเรารู้ความจริงว่าของต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปถ้าเรา ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะพร้อมที่จะทำบุญร่างกายของเราเช่นบริจาคให้กับโรงพยาบาลไปหลังจากที่ตายแล้วเพียงแต่ว่าบริจาคแบบนี้ยังไม่ได้บุญเพราะว่าขณะที่เราอยู่เรายังไม่ให้เรายังหวงอยู่เราให้ตอนที่เราตายแล้วแล้วตอนที่เราตายเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปให้หรือเปล่า เราจึงไม่ได้ความสุขใจจากการบริจาคร่างกายให้แก่โรงพยาบาลหลังจากที่เราตายแล้วแต่โรงพยาบาลเขาได้รับประโยชน์เขาเอาไปศึกษาร่างกายของเราเพื่อที่จะได้ไปหาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าอยากจะได้บุญจากการบริจาคร่างกายต้องให้ในขณะที่เรายังไม่ตายเช่นให้ตาปะ บริจาคดวงตาไปบริจาคไตไปถ้าเราเบริจาคในขณะที่เรายังไม่ตายนี่เราจะมีความสุขใจเพราะเรารู้ว่าเราได้บริจาคเช่นเรามีไตสองอันเราแบ่งให้คนอื่นได้เพราะของเขาของคนอื่นเขาเสียหมดแล้วถ้าไม่มีใครบริจาคให้เขาเขาก็ต้องตายแต่เราให้ไตของเขาไปข้างหนึ่งเราก็ยังอยู่ได้ และทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าได้บุญเพราะเราได้ความสุขใจเพราะเรารู้ว่าเราได้เสียสละได้ให้ความสุขแกผ่ผู้แต่เวลาที่เราทำพินัยกรรมไว้หรือเขียนสั่งไว้ว่าจะให้คนนั้นคนนี้เวลาเราตายไปเราไม่รู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าเราไม่ได้ให้กับเขาด้วยตัวของเราเองอย่างนี้จึงไม่เป็นบุญ ว่เาเราไม่รู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราได้ให้เขารู้เปล่าดังนั้นก็ขอให้เราทาความเข้าใจถ้าเราอยากจะได้บุญก็ให้เงินทองลูกหลานไปเลยอย่าเขียนพินัยกรรมเอาไว้อย่างนั้นไม่ได้บุญแต่ถ้าให้กันในขณะที่เรายังไม่ตายแบ่งให้เขาไปเลยเราก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งของเราอย่าไปหวังพึ่งเขา เดี๋ยวให้เขาไปหมดแล้วเดี๋ยวเกิดเขาไม่เรียงเราเราก็จะลําบากแต่ถ้าเราอยากจะได้บุญเราต้องให้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราตายไปแล้วมันเราไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่าเราก็จะไม่มีความสุขใจไปกับเรานี่คือวิธีสร้างความสุขใจวิธีหนึ่งคือด้วยการทําทานวิธีที่สองก็คือด้วยการไม่ทําบา การทำบาปนี้จะทําให้เราไม่สบายใจนั่นเองเวลาเราไปลักทรัพย์ไปขโมยข้าวของไปโกหกหลอกลวงเราไปประพฤติผิดประเวณีเราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดประเวณีเราไม่โกหกใครเราจะสบายใจเราจะไม่กลัวว่าใครจะมารู้ว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีนะ ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสบายใจถ้าเราไม่มีเงินทองเข้าของที่จะให้คนอื่นเพื่อให้เราเกิดความสบายใจก็ขอให้เรารักษาศีลห้าไว้ให้ดีรักษาศีลห้าข้อแล้วเราจะมีความสบายใจเช่นข้อที่หนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์ข้อที่สองไม่ให้ลักทรัพย์ข้อที่สามไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีข้อที่สี่ไม่ให้พูดปด ในข้อที่ห้าไม่ให้ดื่มสุรายามาถ้าเราสามารถรักษาศีลทั้งห้าข้อนี้ได้ความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำผิดต่างๆจะไม่เกิดขึ้นกับเราความไม่สบายใจที่เกิดจากการฆ่าผู้อื่นก็จะไม่เกิดขึ้นลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำเรามีศีลเราก็จะมีความสบายใจ เวลาเจอตำรวจเราก็จะไม่ตกใจแต่ถ้าเราไปขโมยข้าวของไปฆ่าคนเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้เราจะตกใจขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าเขาจะมาจับเราไปลงโทษแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำผิดเราเจอใครเราจะไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกกลัวเราจะสบายใจถ้าเราไปขโมยข้าวของของคน พอไปเจอเจ้าของเขาเราก็จะตกใจคิดว่าเขารู้ว่าเราขโมยเขากำลังจะมาเอาของคืนนี่คือวิธีสร้างความสุขใจด้วยการไม่สร้างความไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดจากการทำบาปพอเราไม่ทำบาปความไม่สบายใจก็จะไม่มีแล้วใจของเราก็เย็นสบายนี่คือข้อที่สองวิธีสร้างความสุข ด้วยการทำใจของเราให้สบายด้วยการไม่ทำบาป้อที่สคือการภาวนาการทำใจให้สงบการทำใจให้ฉลาดอันนี้จะทำให้ใจของเรามีความสุขเพราะความสุขเกิดจากความสงบของใจนี่เองใจของเราทุกวันนี้ไม่มีความสุขกันมากนะนะก็เพราะใจของเราไม่มีความสงบกันชอบคิด คิดแล้วก็เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความอยากต่างๆทํามาทําให้อยู่ไม่เป็นสุขพอโลภอยากได้อะไรขึ้นมาก็ต้องดิ้นรนไปหาสิ่งที่อยากได้มาเพราะถ้าอยู่เฉยๆใจก็อึดอัดใจก็ห ง, งุดหงิดนําคาญใจดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ใจของเราไม่สบาย ที่เกิดจากความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆเราต้องมาหักหยุดความคิดของเราเพราะความโลภความอยากนี้มันเกิดจากความคิดของเราเวลาคิดถึงเงินทองเราก็อยากจะได้เงินทองพอคิดถึงตำแหน่งต่างๆเราก็อยากจะได้ตำแหน่งพอคิดถึงรางวี่รางวัลเราก็อยากจะได้รางวัลกันแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงมัน เราก็จะไม่มีความอยากถ้าเราไม่มีความอยากใจของเราก็จะเยงจะสบายมีความสุขมีความสุขมากกว่าการได้สิ่ง in ที่เราอยากได้เพราะเวลาเราได้สิ่ง in ที่เราอยากได้แล้วแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับมีความกังวลกับของที่เราได้มาเพราะเราจะต้องคอยดูแลรักษาเราต้องหวงต้องห่วง แล้วเกิดถ้ามันหายไปจากเราไปเราก็ต้องมาเสียใจอีกดันั้นความสุขที่ไดจากการทำสิ่งที่เราอยากทำหรือได้สิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะเราต้องคอยดูแลรักษาคอยวิตกกังนวลห่วงใยแล้วเวลาที่เขาจากเราไปเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจ ดังนั้นเราอย่ามาหาความสุขด้วยการทำตามความโลภทำตามความอยากควรจะหาความสุขด้วยการหยุดความโลภหยุดความอยากจะดีกว่าเพราะเวลาใจเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากแล้วใจของเราจะสงบแล้วจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้ มันสุขมากกว่าการถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกไม่เชื่อลองทำดูจะพูดเปรียบเทียบให้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งก็ดีใจเดียวเดียวแล้วก็ต้องมากังวลแล้วว่าจะเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนดีจะหลบหน้าหลบตาใครดีเพราะเดี๋ยวคนรู้จะต้องมาหาเราละมาหาเขาก็จะต้องมาขอเงินเราละถ้าเราไม่ให้เขาเขาก็โกรธเราด่าเราเสียเพื่อนนีก แต่ถ้าเราไม่มีเงินเขาก็จะไม่มาหาเราเขาก็จะไม่มารบกวนเราเขาจะไม่มาขอเงินเราเราก็ไม่ต้องให้เงินเขาเขาก็ไม่มาด่าเราเขาก็ยังเป็นเพื่อนของเราอยู่เนี่ยพูดเปรียบเทียบตัวอย่างถูกรตเตรี่รางวัลที่หนึ่งแนละ้วแทนที่จะสุขมันกลับทุกข์ทุกเพราะต้องคอยคอยดูแลรักษาเงินทองทุกต้องคอยหลบคนนั้นคนนี้ ทุกต้องคอยโกหกบอกเขาว่าให้ไม่ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทุกเพราะเขาโกรธเราเกลียดเราทุกเพราะเขาเลิกคบค้าสมาคมกับเรานี่คือผลที่เราได้รับจากการถกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เรามีความสุขโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเรามีความสุขยังไม่มีใครมายุ่งกับเราไม่มีใครมารบกวนเรา อันนี้แหละคือความสุขที่ดีที่สุดเป็นความสุขของเศรษฐีที่แท้จริงเศรษฐีปลอมคือเศรษฐีที่มีเงินมีทองตรงนี้ถือว่าเป็นเศรษฐีปลอมเพราะไม่มีความสุขต้องทุกขกับเงินทองต้องทุกขกับคนที่จะมาคอยขอเงินขอทองจากเราแต่เศรษฐีจริงนี่นั่งเฉยๆใจสงบมีความสุขไม่มีใครรู้ว่ามีความสุข และไม่มีใครมาขออะไรจากเรานี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากการทำใจให้สงบทำใจให้ชลาสงบด้วยการมีสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเราสามารถหยุดความคิดได้ด้วยการใช้ความคิดใดคิดหนึ่งเช่นคิดถึงพระพุทธเจา้าให้เราท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจ ถ้าเราท่องคุดโทคุดโทอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้พอเราไม่ไปคิดความอยากจะทำอะไรก็หยุดลงพอความอยากหยุดลงใจก็สงบใจก็นิ่งหยุดคิดได้แล้วก็มีความสุขนี่คือวิธีแรกที่ทำให้ใจของเราสงบต้องสงบด้วยสติ ใช้สติคือพุโทโธนี่การเรเลิกถึงพุโทโธนี่เรียกว่าการสร้างสติเพราะให้เราหยุดความคิดหยุดความอยากพอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็สงบมีความสุขไม่ต้องไปหาอะไรไม่ต้องหาเงินไม่ต้องไปหาตำแหน่งไม่ต้องไปหาแฟนไม่ต้องไปหาขนมนมเนยมีความสุขที่ดีกว่าจากการที่ ได้ขนมได้แฟนได้เงินได้ทองแล้วพอเราได้ความสุขนี้แล้วเราก็ต้องรักษามันด้วยปัญญาเพราะว่าเราไม่สามารถนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องออกมาทำงานทำการมาดูแลเลี้ยงดูร่างกายเวลาที่ใจเกิดความอยากได้อะไรก็ใช้ปัญญามาสารใจว่าการอยากได้ของนั้น มันไม่ได้ทำให้เราได้ความสุขหรอกเช่นอยากถูกรอ ต, ตรลีรางวัลที่หนึ่งพอถูกแล้วแทนที่จะมีความสุขกับจะต้องมีความทุกข์กับการต้องคอยดูแลเงินทองกับการที่เราต้องคอยหลบคนนั้นหลีกคนนี้แล้วก็ถ้ามาเวลาตายจากเงินทองก็ต้องมาทุกข์อีกสู้อยากมีเงินทองดีกว่ามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้พอถ้าเรามีความ สงบมีความสุขจากความสงบแล้วใจจะไม่หิวจะไม่อยากได้อะไรแต่ถ้าเผลอไปอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปอยากการอยากได้สิ่งต่างๆนั้นเป็นการหาความทุกข์มาใส่ใจไม่ได้เป็นการหาความสุขอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบขอทานดีกว่ายังไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมายุ่งกับเรานี่คือวิธี สร้างความสุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันมีวิธีหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้กับเราก็คือการมาฟังเทศฟังธรรมว่าเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ฟังเรื่องที่จะทำให้เราเกิดความสงบใจจะเป็นเรื่องที่สอนให้เรารู้จักวิธีหยุดความวุ่นวายใจต่างๆหยุดความ โลกหยุดความโกรธหยุดความหลงหยุดความอยากต่างๆเวลาฟังแล้วใจก็จะสงบเพราะว่าไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆธรรมก็ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้จะกล่อมใจของเราให้เย็นให้มีความสุขเราจึงควรหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขแล้วเราจะได้ไม่ลืม ถ้าเราฟังหนเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมได้แต่ถ้าเราฟังอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทาบุญทาทานเราต้องรักษาศิลเราต้องภาวนาเราต้องฟังเทศฟังธรรมกันถ้าเราฟังบ่อยๆเราก็จะไม่ลืมแล้วเรานำอาไปกระทากันความสุขต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเรานี่คือเรื่องของการมาว่า เพื่อมาสร้างความสุขใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าวิธีสร้างความสุขใจมีอะไรบ้างก็มีทานมีสิมีภาวนามีการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีการอุทิศบุญเวลาทำบุญแล้วก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ก็จะได้ความสุขใจแล้วอนุโมทนาบุญก็ได้ความสุขใจ เวลาคนอื่นเขาทําบุญเราก็อนุโมทนาเราก็ดีใจมีความสุขใจไปกับเขาถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นเราก็ได้รับความสุขใจนี่ถ้าเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือเนื้อถือตัวมีสัมมาคารวะเราก็จะมีความสุขใจนี่คือวิธีสร้างความสุขใจต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสังส่งสอน ทรงสั่งทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขอให้เรามีศรัทธาและเชื่อและปฏิบัติตามเถิดและรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับและจะมีความถุกความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีแต่ความสุขเต็มเตี่ยมอยู่ภายในหัวใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด เหมือนกับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับจะเป็นความสุขของพวกเราเช่นเดียวกันเพราะวิธีที่พระพุทธเจ้าหาความสุขก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่พวกเราหากันเราก็จะได้รับความสุขแบบเดียวกันขอให้เราทำไปเท่านั้นทำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่รับรองได้ว่าเราจะได้รับความสุขอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพนกันในวันนี้จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วค่าปลอดภัยจากทุกภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเท